หลวงพ่อเฟื่องโชติโกโนะท่านเป็นลูกศิษย์ท่านพอลีนะท่านพอลีอันนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งอโศการามท่านพอลีท่านเป็นลูกศิษย์หลงปู่มั่นหลวงพ่อเฟื่องก็มาพบกับ ท่านเป็นคนเมืองจันทร์แล้วก็พบกับทารามโพลีตอนที่เพิ่งบวชได้ไม่แค่ปีสองปีนะแล้วเกิดศรัทธาในปฏิัทธาธรรมนพลีก็เลยหันมาปฏิบัติกรรมฐานตอนหลังก็ ได้ฟังเรื่องราวของหลวง ป, ปู่มั่นก็เกิดศรัทธาแล้วก็พากันไปจาริกพากไปกับหลวงปู่เจี๊ยนะคนจันท บ, บุรีด้วยกันก็ทุดงไปถึงอีสานแล้วก็ไปไปกาบของหลวง ป, ปู่มั่นช่วงที่ไปปฏิบัติที่ ไปกับหลวงปู่มั่นก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องกับธรรมวินยัยแล้วก็ได้เห็นปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแล้วก็มีบางเรื่องที่ท่านเกิดความสงสัยขึ้นมานนเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นอย่างเช่นมีคราวหนึ่งมีพระป่วย พอป่วยท่านก็ขอยาหลวงปู่มันทราบก็ตําหนินะว่านพูดอดุขึ้นมาเลยนะว่าเนี่ยเอาอะไรเป็นสารณะเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหรือว่าเอายาเป็นสารณะนับถือศาสนาอะไรกันแน่นับถือศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาอย่าง ต่อมาก็มีภาพรูปหนึ่งป่วยนะแล้วก็ท่านก็ยอมเนี่ยอดทนไม่ยอมกินยาเลยไม่ยอมฉันยาหลวงปู่มั่นพอพอรู้ก็ก็ต่อว่านะว่ายามีทำไมไม่กินทำไมเป็นคนเลี้ยงยากแบบนี้ พอฟึ่งเห็นสองเหตุการณ์นั้นก็เลยเกิดความงงสงสัยว่าตกลงอาจารย์ของเราหลวงปู่มั่นนี้ท่านเอาอยัางไงกันแน่คนหนึ่งก็บอกว่าอย่า ก, กินยาเอายาเป็นสารณนหรือจะาผู้จ้าเป็นสารณนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าทำไมเป็นคนเลี้ยงยากเนี่ยยามมีให้กิน ตอนหลังถ้เข้าใจนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นยังไงนะคือท่านก็เห็นว่าอธิบายอยู่ว่าอครูบาอาจารย์ก็ต้องการปรับทิฏฐินะของลูกศิษย์นะลูกศิษย์บางคนก็สุดโต่งไปทางหนึ่งนะท่านก็ปรับมาเนคนที่พึ่งคิดได้ป่วยแล้วก็เอาแต่ยาท่านก็ ตำหนิเพื่อไม่ให้ไปพึ่งยาแต่ในบางคนบางคนที่สุดตรงไปทางหนึ่งคือเอาแต่สมาธิท่านก็บอกว่าต้องให้หันมาใช้ยาบ้างที่จริงทํามานี่ก็เปรียบเหมือนยานะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนครูบาอาจารย์ก็เปรียบเหมือนยา ยานี่มันไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนมันขึ้นอยู่ว่าเป็นโรคอะไรถ้าคนที่เป็นความดันมีความดันสูงนะยากระตุ้นไปงก็ก็แย่นั่นแะ่ะก็ต้องใช้ยาลดความดันส่วนคนที่มีความดันต่ำอยู่แล้วนะืึให้ายาลดความดันไปก็แย่ ธรรมะนี่มันไม่ใช่ว่าธรรมะมันเป็นของสากคนก็จริงนะแต่ไม่ใช่ว่ามันเหมาะหรือว่าใช้ได้กับทุกกรณีมันก็ใช้ได้กับทุกกรณีเหมือนกันแต่ว่าบางกรณีก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ที่จริงตัวอย่างง่ายๆนี่ก็เปลี่ยบมันก็ดูได้อย่างเด็กนะเด็กบางคนขี้เกียจเนี่ย ครูหรือว่าพ่อแม่ก็ต้องก็ต้องกระตุ้นให้ขยันนะถ้าเอาแต่นอนนะก็ต้องกระตุ้นนะให้นอนน้อยนะแล้วก็ขยันให้มากขึ้นแต่เด็กบางคนขยั น, ยนเรียนจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนพ่อแม่หรือครูก็ต้องบอกว่าให้ พ, พราวๆหน่อยนะให้รู้จักพักผ่อนบ้าง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังหรือได้รับรู้มานะไม่แปลว่าพ่อแมอ่หรือครูบาอาจารย์เอาแน่อนอนไม่ได้ไม่คงเส้นไม่คงหวามันเพียงแต่ว่าสอนให้เหมาะกับคน พวกเ เ, เวลาเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะว่าธรรมะเนี่ยมันแล้ว เ, เป็นอากาโกนะให้ผลได้ไม่จํากัดการแต่ว่ามันก็เหมือนกับยาก็าจึงเรียกว่าธรรมโอสดมันเหมือนกัอย่างที่ว่ามันใช้แก้ปัญหาหรือว่าใช้ปรับปรุงตัวบุคคลนนั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีปัญหาไม่เหมือนกัน แม้แต่คนเดียวกันในเวลาที่ต่างกันก็มีปัญหาต่างกันไปด้วยเช่นบางช่วงเนี่ยก็ง่ว ง, งเกิดความเฉื่อยชาแต่บางช่วงก็เกิดความกระตือรือร้นหรือว่าบางช่วงก็ฟุ้งซ่านในช่วงที่เออ่ เฉยชาง่วงนอนนะก็ต้องเติมต้องใช้ยาที่ชื่อว่าวิริยะความเพียนเติมเข้าไปส่วนคนที่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วเนี่ยบางทีต้องเพียนให้น้อยลงนะถ้าเติมเติมความเพียงเข้าไปอีกเนี่ยบางทีหนักเข้าไปใหญ่คนนี้กำลังฟุ้งซ่านอยู่ด้เติมความเพียนเข้าไปนี่ฟุ้งซ่านนะต้องทำให้นิ่ง ก็คือสมาธิเติมสมาธิเข้าไปเพื่อให้มันนิ่งนะไม่ใช่เติมวิริยะความเพียรมากๆนี่มันทำให้ฟุ้งซ่านนะมีพระรูปหนึ่งพระโสนะเนี่ยท่านเคยเป็นนักดนตรีดีดพิน ตอนหลังก็มาบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติมากเรียกว่าไฟแรงเดินจงกรมทั้งวันเลยไม่ใช่แค่ทั้งวันแนตะ่ทั้งคืนด้วยเดินกลับไปกลับมานั้นแหละตั้งใจจะพ้นทุกข์ให้ได้แต่ว่าเท้าทั้งเนี่ยเป็น มีผิวที่บอบบางนะเรียกเป็นพวกสุขุมาราชาต a นะบอบบางของผู้หญิองอีกผิวสวยนะเท้าเท่านี้พอเดินลงกงมานี่ก็เท้าก็แตกเท้าแตกก็ยังไม่หยุดทำความเพียนเดินอย่นจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ เ, ไดเลือด ก, ก็ไหลไหลซิบซิบเป็นทางเลยตอนหลังเดินไม่ไหวนะ ก็ไม่ยอมหยุดนะก็คลานเนาะเดินเดินแบบเดินคลานก็ทุกพรมานมากทุกพรมานมากไม่เท่าไรรัการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าเลยจนกระทั่งท้ออยากจะศึกเมื่อพูดเจ้าทราบไ็เลยมามาพูดคุยนะก็ก็เปรียบยกตัวอย่างพินสามสาย นะถ้าสายพินขึงตึงนะเพราะไหมลักษณะบอกไม่เพราะถ้าสายพึงสายพินหย่อนไปเพราะไหมก็ไม่เพราะต้องต้องปฏพอดีๆนะสายพินพื้นให้พอดีๆแล้วพุชากลีตัดด้านเนี่ยความเพียรเนี่ยถ้ามากเกินไปันก็ฟุ้งสร้านนะถ้าน้อยเกินไปมันก็อซึมเศร้า ต้องทําความเพียรพอดีพอผู้เท่านี้เ น, นี่ยพะนนะก็เข้าใจแล้วก็เลยความเพียรนั้นก็เลยลดลงไม่ใช่ลดไม่ใช่ลดความเพียรที่กายแต่ว่าลดความความคาดหวังที่ใจด้วยแต่ก่อนนี้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้พอทำแล้วจิตใ จ, จก็ค่อยกลับสมดุลในสุดก็บรรลุธรรมพระอรหันต์ แล้วพวกเราเคยได้ยินนะผู้เจ้านี่ยบอกว่ามนุษย์เราล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรมนุษย์ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่ทำไมเนี่ยกัปโผโซนา่าถึงบอกว่าให้ลดความเพียรลงนะไม่ได้ขัดแย้งนันนะไม่ได้ขัดแยง้งนันพะคนทั่วไปนี่ก็ไม่ค่อยมีความเพียรเท่าไหร่ผู้เจ้าก็เลยพูดเพื่อให้มีความเพียร ส่วนคนที่มีความเพียรแล้วก็เพียรมากไปเนี่ยนี้ก็ต้องก็ต้องลดลงมาเมื่อลดลงมาเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่สิ่งที่มาช่วยนะก็คือสมาธิพอแล้วความเพลิงจิตใจก็ฟูงซาน ล, ลงสมาธิก็เกิดขึ้นนี่เข้าใจแล้วผู้ใจ้วผู้ใจอดเนี่ยมันเราลงทุนได้พอความเพียรเนี่ยพอ พอเพียรแล้วเพียรอีกก็ยังไม่บรรลุก็เลยต้องเพียรมากมขึ้นอนะนั้นไม่ใช่มนันเรื่องความพอดีเป็นเรื่องความพอดีที่เราเข้าใจอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ห้าเนี่ยนะมันก็มีสติมีปัญญาศรัทธามีวิริยะสมาธิแต่ละข้อดีทั้งนั้นนะ แต่ว่ามันต้องพอดีพอดีกันนะศรัทธากับปัญญาต้องพอดีพอดีกันวิริยะกับสมาธิก็ต้องพอดีพอดีกันคือก็อยู่เป็นคู่คู่คนะทำหน้าที่คนละอยา่างปัญญากับวิริยะนี่มันเป็นตัวเหมือนคันเร่งเป็นตัวแอคชั่นนะส่วนศรัทธากับสมาธินี่เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวตัวเบรกหรือว่าตัว ตัวเฉยๆนะเวลาศรัทธาใครนี่ก็ยอมตามหมดเลยแต่ถ้าเวลาเกิดปัญญานี่หรือมีปัญญามากเขาจะคิดโน่นทำโน่ท น, นทำนี่คิดคิดพิดดจรารณาคิดวิเคราะห์ศรัทธานี่ไม่ต้องวิเคราะห์เลยว่าอะไรก็ขอขอให้ว่ามาแล้วทำตามหมดนะมันคนละแบบนะคนละละักษณะนะ ถ้ามีศรัทธามากไปก็ไม่ได้นะงมงายไปผิดที่ผิดทางก็มีนะศรัทธาคนที่ประพฤติตัวไม่ถูกต้องนะศรัทธาหัวหน้าแก๊งโจรนี่มก็พาเข้ารกเข้าพงได้ไม่มีปัญญามากำกับหรือมาทวงศรัทธาไม่ได้พอิบัดีหน่อย ปัญญามากไปก็มีปัญหาฟุ้งซ่านหรือไม่ก็เกิดมานะความหลงตัวก็ต้องมีศรัทธาบ้างง่งั้นมันไม่ยอมไม่ยอมทำอะไรจงกว่าจะคิดให้สรลุปลูกโปรง่งนะนิพพานมีจริงไหมก็มใช้ใช้ความคิดนะหาคำตอบนะปัญหาเท่าไหรก่ก็ไม่มีทางพบนะ บานีก็ต้องอาศัยศรัทธาลองหรือศรัทธาลองศรัทธ า, าหลวงพ่อหลวงปู่นี่ว่าเนี่ยท่านท่านสามารถจะเข้าถึงได้แล้วที่ท่านพูดมาก็น่าเชื่อเชื่อว่าท่านเข้าถึงหรือเชื่อว่าท่านเข้าใกล้แล้วแล้วก็ถึงแม้เราไม่เห็นด้วยตัวเองแต่ก็เชื่อว่ามันมีจริงนะเพราะว่าท่านยืนยันอ่านนี่เราก็ก็ทําให้เริ่มลงมือปฏิบัติสักทีนไม่ใช่ว่าต้องคิดให้ ให้พบด้วยตัวเองของบางอย่างมันพบไม่ได้โดยการคิดนะหรือเข้าถึงไม่ได้โดยการใช้เหตุผลนะมันต้องเกิดจากการทดลองได้สัมผัสแม้แต่รสอาหารรสอร่อยรสหวานรสเปรี้ยวนี่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นก็ไม่สามารถจะรับรด้วยเป็นยังไง จ, จะไปได้ลิ้มดูนะได้ชิมดูเรียกกับสมาธิคือเหมือนกันนะสมาธิ ตาวิยามากไปนะมันก็ฟุง้งซ่านต้องมีสมาธินะสมาธิก็เป็นตัวคลายตัวหยุดตัวตัวพักตัวช่วยให้นิ่งพชงเจ็ดก็เหมือนกันนะ่อชงเจ็ดนะก็มีสติแล้วก็ธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือการสอดส่องธรรมะพิจารณาใครคก็คือตัวปัญญานั่นแหละ ธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะนะแล้วก็ปิติอันนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปสัสธิสมาธิแล้วก็อุเบกขากลุ่มแรกนี้จะเป็นตัวตัวกคือตัวกระตือรือรนนะ้น กลุ่มที่สองเป็นตัวเฉยๆธรรมวิจยานึงจะคอยสอดส่องวิจารณานะเวีริยานี่ก็อย่างเห็นรู้อยู่แล้วนะต้องทำทาความเพียรปิติมันทำให้ใจฟูปัสสัทินี่ั่นคลายสมาธินี่ก็สงอบอิมเบคหาก็ปล่อยวางนะเวลา เฉยชาเนี่ยเวลาง่วงงาเขานอนนะคืนใช้สมาธินะปัิอุบัานี่นักเข้าไปใหญ่เลยมันต้องใช้สมริจยาวิริยะนะแล้วก็มีปิติมาช่วยทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาแต่ถ้าเกิดทุ้มซ่านเนะีนะ่ะ ทำเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตัดสู้หรือไม่เห็นไม่รู้ทำได้ข่าวว่าโอ้พวกชงเจตนี่เป็นองค์ธรรมแห่งการตัดสู้เพราะฉะนั้นนี่ก็พยายามเอาธรรมะในพุ่งชงเจตมาแก้ไขปัญหาตัวเองถ้าเอามาใช้ผิดกรณีก็แย่นะเป็นฟุง้งซ่านอยู่เนี่ยถเถอคืนเติมวิริยะเข้าไปมันยิ่งฟุ้งหนักเข้าใหญ่หรือว่าถ้าเอาธรรมวิริยะเข้าไปมันก็ยิ่ง งนักเข้าไปใหญ่มันต้องใช้สมาธิใช้ปสัสสติใช้อุเบกขาจิตฟุง้งซ่านทำเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุเออก็อาวางมันลงบ้างวางความอยากลงบ้างหรือว่าทำไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นอุเบกขามันก็ทำให้หายฟุง้งซ่านนั่นนี่เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเวลา เวลาเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแม้จะแม้จะเชื่อว่าทําทุกคนเนี่ดีอันนี้มันกุศลธรรมนะหมายถึงทำขาวนะไม่ใช่ทำดำทำดำนี่ก็เรื่องหนึ่งทำขาวหรือกุศลธรรมดีดีทั้งนั้นเป็นเป็นสากลใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยใช้ได้กับทุกคนไม่จำกัดการเป็นอากาศลิโก แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะใช้ได้กับเราไม่ใช่เราจะเหมาะกับเราหรือจะเหมาะกับทุกคนในทุกกรณีนะเพราะมันเหมือนกับยานะยานี่ยมันก็มีผลกับทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นไทยจีนสลัง่งกินเชา้ากินเย็นก็อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ไม่มากแต่ว่า มันจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อใช้ให้ถูกกรณีที่เราปริที่เราสวนมัสกักครูเนี่ยจึงมีความหมายนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมถ้าไม่สมควรแก่ธรรมนันมันก็แย่นะเช่นอย่างที่พูดยุกิธรรมมัสกักครูเนี่ย ฟุ้งร้านอยู่แล้วนี่ก็เอาเติมธรรมวิทยาเข้าไปเจอวิทยาเข้าไปมันก็หนักข้าไปใหญ่แซวก็ไม่เข้าใจจุดจุมมางแบของธรรมะแต่ละข้อเราจะไปบัติรมสมควรแะ่ทำได้เราก็ต้องรู้ธรรมะแต่ละข้อนี่เขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเขามีจุดเน้นตรงไหนแล้วก็ใช้ถูกใช้ถูกกรณี ตัวอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนนะแล้วก็ผิดพลาดกันมากคือสันโดษสันโดษเนี่ยก็คือความอยู่ง่ายกินง่ายหรือความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้คนที่มีความสันโดษก็จะอยู่ง่ายนะแต่ไม่แปลว่าไม่ขนขคายนะสันโดษนี่ถ้าใช้ผิดนี่ก็เรียกว่ากลายมีคิขี้เกียจไป ฉันต้องการเดือนหนึ่งฉันต้องการแค่พันบาทนี่ฉันก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าฉันอยู่ง่ายกิน ง, ง่ายก็เลยทํางานเพียงแค่วันละชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้มาได้มาสามสิบาทนะเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณพัน 1, หนึ่งพอแล้วต้องการพันหนึ่งหามาได้พันหนึ่งพอแล้วที่เหลือทําอะไรที่เหลือก็นั่งเล่นนอนเล่น อันนี้สันโดษผิดนะอยู่ง่ายกินง่ายดีแล้วแต่ว่าต้องขยันแม่เป็นต้องขยันทมามากินก็ได้นะแต่ขยันทาอย่างอื่นเช่นอ่าโอเคทางานแค่วาลาชั่วโมงแต่ว่าเวลาที่เหลือก็มาใช้ในการศึกษาปฏิบัติธรรมใช้ในการช่วยเหลือผู้เื็นในจิตอาสาทาความดีไม่ใช่นั่งเล่นนอนเล่นอันนี้มันเป็นเปิดช่องให้ สันหาเข้ามาครอบงำ น, นั่นผู้เจ้าจะบอกว่าสันโดตนะนโดต้องคู่กับวิริยะนะสันโดดต้องคู่กับวิริยะที่จริงผู้เจ้าสอนความไม่สันโดดด้วยนะสันโดดในเรื่องปัจจัยสี่เรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองต้องรู้จักสันโดดแต่ว่าที่ไม่สันโดดคือว่าธรรมะความดีนี่นไม่สันโดดคือมืออย่าหยุดทําไปเรื่อยนะ อย่ารู้จักพอเนี่ยต้องทําไปเรื่อยเรืยความรู้วิชาความรู้ก็ต้องหาไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยแต่ไม่ใช่ความรู้ทางโลกเท่านั้นความรู้ทางธรรมด้วยนี่สันโดษนี่มีเพื่อเพื่อให้เราไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องการทํามาหากินหรือไม่เสียเวลาไปเรื่องการอ่าการเสร็สุกปนเปลือกตนด้วยวัตถุสิ่งเสร็จเพราะว่าถ้าเสียเวลาไปกัเรื่อง ถ้ามีความถ้ามีความความอยากในวัตถุมากเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาการทำมาหากินเพื่อได้มีเงินมาซื้อวัตถุสิ่งเสษหรือว่าเสียเวลาไปกับเรื่องการการใช้มันเพื่อปนเปืเป้อหาความสุขให้กับตัวเองทั้งวันเอาแต่เที่ยวแต่เล่นเนี่ยอันนี้เราไม่สันโดษถึงแม้ว่า เนอย่าต้องไม่ต้องไปทำมาหาหากินก็ตามเพราะมีได้มรดกมาแต่ทำหากินก็ดีนะในความหมายที่ว่าเออหาเงินมาแล้วเนี่ยหาเงินมาหมื่นเราใช้แค่พันอีกเหลือเก้าพันก็ช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้อันนี้ดีหรือไม่ฉช่นนั้นก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มีคุณค่า งั้นถ้าเกิดว่าสันโดษเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกต้องนะ น, นั่นเรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรจะทําปฏิบัติไม่สมควรจะทําใช้สันโดษไม่เป็นใช้สันโดษผิดมันก็ทําให้เกิดความเสียหายธรรมานี่ถ้ใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นนี่มันก็เกิดผลเสียนะก็เช่นยกับยาเนี่ยยา ปันยาผิดนะผิดหรือว่าเกินโดสหรือว่าไม่ถึงโดสนะมันก็เกิดผลเสียได้ดังนั้ น, นกวลาปฏิบัติธรรมต้องใช้ปัญญานะสติปัญญาในการที่จะรู้ว่าเพื่อที่จะรู้ว่าธรรมะนี่เขามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแล้วก็ทำให้ถูกนะอันนี้เรียกว่าปฏิบัติสมควรกับธรรมธมนรมปฏิบัต แต่ในกาเวลาฟังคำสันครูบาจาย์ท่าสอนเนี่ยเวลาท่านสอนไม่เหมือนกันเนี่ยก็ไม่ใช่แปลว่าท่านเอาแน่วนอนไม่ได้ก็หมายถึว่าท่านสอนกับใครอนอย่างงา่ายๆพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนแต่ทําไมในบางในบางที่ก็บอกว่าเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนบะุคคลต้องรักตน บุคคลผู้รับตนหวังเฉพาะคุณเบื้องสูงเมืเ่อเรื่อักถึงทางของสองเจ้าอยู่ตรงทางความราู้วัฒธรรมอันนี้เราเคยสวนนะที่สมัยผู้เจ้าพูดไม่เหมือนกันนะบางตองก็บอกว่ามีคนถามว่าเวทนานี่ใครเป็นผู้เสวยผู้เจ้าบอกว่าท่านถามผิดนะ ต้องถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาถามว่าใครสวยนี่ไม่ถูกนะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีใครมันไม่มีตัวตนไม่มีใครพระอรหัน ต, ไไน ต, ต, นต์ตายแล้วไปไหนพูทเจ้าก็ไม่ตอบพูทเจ้าตายแล้วสูญเช่นไหมพูทเจ้าก็ไม่ตอบตายแล้วไม่ตายแล้วดับไปเลยใช่ไหมพุทเจ้าไม่ตอบเพราะว่าคาพูดนี้มันยังมีความสุว่าพระอรหันต พระอรหันต์ตายแล้วนี่สูญใช่ไหมพระเจ้าก็ไม่ตอบเพราะคนถามนี่ถามเพราคิดว่าพระอรหันต์นี่มีเป็นตัวเป็นตนมองคนแบบเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนตอบไปก็ทำให้ยังเป็นการตอบย้งความเชื่อว่ามันมีตัวมีตนแต่ทำไมยู่ลองที่พระเจ้าวาเนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือบางทีก็บอกว่าเนี่ยคนทานย่อมทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูย่อมทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูแล้วก็มีตัวเองเนี่ยมีตัวตนบางทีก็บอกในกรรมเรามีกรรมเป็นของตนคุณ เ, เจ้าบอกไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ใช่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราแต่แล้วพระเจ้ า, า Vince, สอนว่าเรามีกรรมเป็นของตน พุทธเจ้านี่พูดไม่คงเส่งคนคงวาเลยนี่คนที่ไม่เข้าใจก็จะพูดแบบนี้คิดแบบนี้ี่ก็ต้องดูว่าเนี่ยพุทเจ้าพูดในกรณีไหนพูดกับใครนะ <c oughs> เวลาพูดเวลาพูดที่จะชักชวนให้คนทําความดีก็จะพูดแบบนี้เนี่ยพูดคนทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจธรรมะขั้นสูงนะั้นก็ต้องช่วยให้เขาทำความดีชวยให้เขาทาความดีก็ต้อง กพูดให้เขาลักตัวเองให้รู้จักพึ่งตัวเองให้เขาปวดกรำชั่วกขากำชั่วเนทําให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ถ้าบนในแง่ของการเข้าใจความจริงนะสัจธรรมเนี่ยพระเจ้ากับผู้อีกแบบนะพูดให้เข้าใจให้เห็นในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ถ้าสอนให้ทำดีนะก็จะพูดเรื่องตัวตนถ้าสอนให้เข้าใจความจริงขั้นสูงสุดก็ไม่มีก็ก็จะพูดเรื่องอนัตตาพูดเรื่องปรมาถ ธ, ธรรมไม่ขัดแย้งกันนะที่พระเจ้าสอนเหมือที่หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ได้พูดขัดแย้งกันนะเพียงแต่ว่าถ้ารู้ว่าธรรมะเนี่ยมันเหมาะกับใคร หรือว่าจะใช้ธรรมะนี่เพื่อช่วยแต่ละคนแต่ละคนได้อย่างไรนะเมืองเนื่งองจากแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ยาต่างกันด้วยเวลาเราฟังธรรมะของพุทธเจ้าอ่านธรรมะพุทธเจ้าหรือฟังธรรมะครูบาอาจารย์ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา อย่ามัวอย่าอ่าไอย่าคิด อ, อย่าคิดตื่นตื่นมันก็ทาไมพูดไม่เหมือนกันวันนี้พูดอย่างนี้เมื่อวานนี้พูดอีกอย่างก็มีแต่ว่าพูดให้ใครฟังหรือพูดในกรณีไหนเอาละชาติอนนนะุบลทวีนกัาบครบ